ในพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีเป้าหมายอยู่ที่ใดพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่มี มากมายถึง8ป0 0 0สพันพระธรรมขันธ์ที่ได้มีบรรทึกไว้ในพระไตรปิฎกนั้นล้วนมีเนื้อหาสาระเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเปรียบเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามแต่น้ําในมหาสมุทรทั้งหมดนี้จะมีรสเหมือนกันหมด คือรสของความเข็มเนื้อหาสาระของธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเนื้อหาสาระที่เหมือนกันหมดก็คือเอนืมะเนื้อหาสาระของวิมุติของการหลุดพ้นจากความทุกข์เนื้อของความดับทุกข์นั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุก คำสอนนี้มุ่งไปที่การดับทุกข์มุ่งไปสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เนื่องจากผู้ฟังนี้มีหลากหลายระดับด้วยกันคาสั่งคาสอนถึงอาจจำไม่เหมือนกันของในแต่ระดับเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ผู้ใหญ่ก็กินยาเม็ดแต่เด็กอาจจะกินยาน้ำที่มีน้ำเชื่อมที่ทำให้กินยาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองฉันใดวิธีการดับทุกข์ที่พู้เจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> ก็เหมือนกันมีหลากหลายวิธีเหมาะกับแต่ละบุคคลที่ <c oughs> มีฐานะความรู้ความสามารถในการรับรู้ในการศึกษา ในการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันยังมีการาแยกการคำสั่งคำสอนวิธีดับทุกข์ของแต่ละระดับนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเช่นคำสั่งคำสอนเช่นคำว่ามรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนา สาระความจริงก็คือวิธีการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นแต่บางครั้งบางขาวพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคแปดบ้างบางครั้งก็ทรงแสดงศีล <c oughs> ส, สมาธิปัญญาบ้างบางครั้งก็ทรงแสดงท <c oughs> านศีลภาวนาบ้างบางครั้งก็ทรงแสดงโพชฌงเจ็ดบ้าง บางครั้งก็ส่งแสดงอินทรีห้าพละห้าบ้างแต่ธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมอันเดียวกันธรรมที่เอาไปใช้ในการดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเป็นธรรมอันเดียวกันแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ฟังในตอนนั้น เลยเน้นทำบางส่วนบางชนิดและบางชนิดบางส่วนอาจจะไม่ได้สแสดงแต่เป้าหมายก็คือเพื่อให้เอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเช่นศีลสมาธิปัญญากรรมารก8แปดนี้ก็เป็นอันเดียวกันเพียงแต่ทรงย่อ มร์8ลงมาเหลือสโดยเอาศีลนี้มาประกอบด้วยสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชิวนี่คือศีลนในมัก8ก็คือการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องและการมีอาชีพที่ถูกต้อง ทั้งสามองของมรรคแปน่นี้คือองค์ประกอบของศีลเวลาเราศึกษาศีลเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังศึกษาสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรเรามีการกระทาที่ถูกต้องหรือไม่ก็คือเรารักษาศีลห้าได้หรือไม่เราละเว้นจากการเสพอบายามุกได้หรือไม่คือสุรายาเมา เรามีวาจาที่ถูกต้องหรือไม่เรามีอาชีพที่ถูกต้องหรือไม่อาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นอาชีพที่ถูกต้องอาชีพใดที่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่ควรใจกระทั่ม น, นี้ก็คือองค์ประกอบของศีลส่วนองค์ประกอบของสมาธิได้แก่สัมมาวายาโม О. สัมมาสติส ม, มาสมาธิสัมมาวายาโมก็คือความภาคเพียรความพยัยหมมันเพียรในการเจริญสติในการนั่งสมาธินี่เองเป็นองค์ประกอบของสมาธิเพราะถ้าถ้าปฏิบัติสมข้อนี้คือสัมมาวายาโมส ม, มาสติสมมาสมาธิได้ก็จะได้อุเบกขาได้ความสงบ ได้ความสุขเท่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วส่วนองข้อที่สามคือปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปเห็สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องสัมมาวายามโมาสัมมาสังกโปคือความคิดที่ถูกต้องเห็นถูกต้องเห็นอย่างไร เห็นเห็นว่าทุกข์ก็จากก็จากสมุทัยคือตัณหาความอยากและทุกข์จะดับได้อย่างไรทุกข์ก็จะดับได้ด้วยมรรคก็คือการเห็นไตรลักษณ์ปัญญาศีลสมาธิและปัญญาคือมรรคก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข pues ์ไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นสุขเลยแต่เน really ื่องจากขาดปัญญา ถูกโมหะอาวิชชาครอบงำเลยหลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราเพราะไม่ได้พิจารณาอย่างอย่างรอบครอบอย่างลึกซึ้งพิจารณาแต่ผิวเผินเห็นอะไรชอบก็คิดว่ามีความสุขแล้วจากสิ่งที่ชอบก็เลยอยากได้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ให้ความสุขนั้นต่อไป จะมีการเปลี่ยนได้มีการหมดได้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเป็นไตรักเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไปทำให้เขาเที่ยงไม่ได้เมื่อไปยึดไปติดเขาพอเขาเปลี่ยนไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาที่พรเจ้า ท, ทรงสอนให้เราหมัน่นเจริญ เสัมมาสังกปรก็คือบัณฑเจริญมันคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่ถาวรเป็นของที่เราสามารถสั่งหรือควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลานี่คือสัมมาสังกปรมันพิจารณาอยู่เนืองเนือง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 ต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเพี้ยงแพ้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของธรรมชาติเป็นของปรากฏการทางธรรมชาติเท่านั้นที่เขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้เราก็กาลังจเจริญปัญญาสัมมาสังโปรโดยอาศัยสมาธิฏิคือ ความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะสามารถควบคุมบงังคับให้เขาอยู่เหมือนเดิมได้เขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้สัมมาทิฏฐิพอเราได้สัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ต้องมาเจริญสัมมาสั ง, งโปรอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่หลงลืมที่เราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆก็เพื่อไม่ให้ลืม ถ้าเราไม่พิจารณาไม่คิดอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเราก็จะลืมพอลืมแล้วเราก็จะหลงหลงไปคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นสุขไม่เคยไปคิดว่าสิ่งนั้นทุกข์ก็อยากได้ขึ้นมาพอได้มาแล้วก็มาทุกข์ในภายหลังเพราะว่าสิ่งที่ได้มามันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปนั่นเองพอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไป สิ่งที่ได้แทนที่ก็คือความทุกข์ใจอนนี้ก็คือมรรคแปดหรือหรือสีลสมาธิปัญญาขอให้เข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันเป็นเป็นเครื่องดับทุกข์เหมือนกันเป็นมรรคแปดเพียงแต่ว่าเวลาแสดงธรรมบางครั้งก็ไม่ต้องการเสียเวลาที่จะ อ, อธิบายรายละเอียดมากเพราะผู้ฟังก็ จ, จะเข้าใจแล้วว่าสีคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรก็เลยเอาพูดโดยสรุป แต่บางครั้งก็ส่งแสดงอย่างละเอียดศีลมีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาว า, ยามโยมสัมมากรรมโตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มสองบนเมาแล้วก็สัมมาวาจาก็คือไม่ให้พูดปดและถ้าอยากจะรักษาให้มันละเอียดยิ่งกว่า น, นี้ก็ให้ไม่ให้พูดคำหยาบด้วย ไม่ให้พูดเพอเจ้อไม่ให้พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของสามมาวาจาอาชีพก็ทำอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นขายสุรายาเมาเราอาจจะไม่ได้ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายจากการขายสุรายาเมาแต่คนที่มาซื้อสุรายาเมาไปดื่มนั้น เดี๋ยวเขาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเขาก็จะควบคุมสติไม่ได้ถ้าเขาโกรธขึ้นมาหรือเขาคิดอยากจะทำร้ายใครหรืออยากจะได้อะไรเขาก็อาจจะไปไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ดังนั้นอาชีพที่ถึงแม้จะไม่ได้เกิดจากการกระทําเราโดยตรงก็าตามก็ไม่ควรจะกระทําเช่นขายสุรายาเมา ขายสิ่งที่เอาไปทําลายชีวิตของผู้อื่นได้เช่นกับดักสัตว์อาวุธต่างๆหรือยาพิษสารพิษต่างๆที่เอาไปทําลายชีวิตของผู้อื่น <Yeah. S 1> อันนี้เราก็อย่าทําอาชีพดังนี้เพราะเราไม่ต้องการที่จะไปส่งเสริมให้โลกเราอยู่กันด้วยการเบียดเบียนกัน <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขา yeah. เมตาก็คือขอให้เราไม่เบียดเบียนกันเถิดอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจกันเถิดให้ความสุขต่อกันและกันเถิดและถ้ามีการผิดพลาดก็ให้อาภาัยกันเถิดนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราอยู่กันอย่างสันติสุขถ้าพวกเรามีเมตตาต่อกันแล้วพวกเราจะอยู่กันเป็นสุขทุกคน ตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะไม่มีใครมาปองร้ายด้วยอาวุธด้วยยาพิษจะมีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเวลาตายก็ไม่หลงเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคตินี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้พวกเราทุกคนอยู่กันด้วยความสุขอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่เราเสียหายเสียไปหรือไม่ได้มาสิ่งที่เราเสียไปหรือไม่ได้มานี้มันมีคุณค่าน้อยกว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการมีเมตตาเวลาเรามีเมตตาถึงแม้เราต้องเสียสละเงินทองเข้าของบางบางส่วนให้กับผู้อื่นไปหรือยอมรับความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผู้อื่น โดยไม่เอาเรื่องเอาเราวอันนี้ถึงแม้เราจะสูญเสียไปแต่สิ่งที่เราสูญเสียนั้นมันมีคุณค่าน้อยกว่าสิ่งที่เราจะได้รับมาจากการมีความเมตตาของเราเวลาเรามีความเมตตานี้เราจะได้สิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองซื้อไม่ได้อันนั้นก็คือความสุขใจตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย ต่างกับคนที่ขาดความเมตตาถึงแม้จะเป็นหมหาเศรษฐีรับประการได้ว่าตื่นก็ไม่เป็นสุขหลับก็ไม่เป็นสุขอยากต้องคอยมีรอประพอมาคอยคุ้มครองป้องกันเพราะว่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นไม่มากก็เลยหรื อ, รอรมีทรัพย์มากเกินไปก็จะเป็นที่ปองร้ายของผู้อื่นได้แต่คนที่มีเมตตานี้มักจะไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทอง มีเท่าไหร่มักก็จะบริจาคไปทำบุญไปเก็บไว้เพียงพอที่จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายก็พอคนแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีรอรพอเพราะจะมีเทวดาและมนุษย์ที่ได้รับประโยชน์นี้มาคอยคุ้มครองรักษาแต่คนที่ขาดความเมตตานี้คนที่จะเอาแต่ได้ล่ารวยมาหาศาลไปไหนไม่สุขอยู่ที่ไหนไม่สุข จะต้องมี ร, ปรอรปทรอปพมาคอยคุ้มครองรักษาอยู่ตลอดเวลานอนเวลานอนก็นอนไม่หลับหลับก็ไม่สุขแล้วก็บางทีก็ฝันร้ายเพราะขาดความเมตตาเมตตาการุณามุนิตาอุาเบคาเป็นเครื่องท้ําจุนโลกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามนุษย์เราจะอยู่กันได้ด้วยความนน้มเย็นเป็นสุขก็ เ, เกิดจากการที่เรามี เมตตากรุณามมฎิตาอุเบกขาเมตตาให้ความสุขกับผู้อื่นกรุณาสงสารเห็นความทุกข์ยากสงสารความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นถ้าช่วยบรรเทาทุกข์ได้ก็ช่วยไปมุฎิตาแสดงความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นไม่ฉิา่าลิศยาไม่เสียใจไม่น้อยหน้าเวลาผู้อื่นเขาได้รับความสุขความเจริญ ถือว่าเป็นผลของการกระทาของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปไม่มีใครมาขัดถืนมาขัดขวางได้เป็นเรื่องของผลของบุญผลของการทำความดีคนจึงได้ความสุขความเจริญกันแล้วถ้าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้กับเขาได้ก็ต้องมีบุติตามีอุเบกขาอมีอุเบกขา คือใจต้องวางเฉยให้เป็นอย่าไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับความความความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นถ้าเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เช่นเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มผู้ที่เป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายในที่สุดเขาก็จะต้องตายไปเราก็ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้แต่เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาเพราะความทุกข์กับเขาก็ไม่ได้ไปทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพียงแต่จะมาทําให้ใจเราเศร้าหมองโดยใช่เหตุเราก็ต้องรู้จักใช้อุเบกขา<ม>คิดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพระเจ้ทาทรงสอนแล้วเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเป็นโรคมะเร็งกันเป็นธรรมดามมร่วมพ้นไปไม่ได้ย่อมต้องตายไปในที่สุด นี่คือรากฐานหรือพื้นฐานของคำสั่งคำสอนของพระเจ้าตั้งอยู่บนความเมตตา <Yes. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรเราก็ต้องไม่ไปเบียดเบียนสัมมารกรรมโตก็ไม่เบียดเบียนพูดสัมมาวาจาก็ไม่เบียดเบียนพู้สัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพก็ไม่ไปเดือดเบียดเบียนพูอย่าไปหวังผลประโยชน์ที่มีคุณค่าต่ากับผลประโยชน์ที่ได้จากการ มีสัมมาอาชิวะคือมีความเมตตาบางคนบวนว่าเปิดร้านอาหารแล้วถ้าไม่ขายโซราร์เราจะไม่มีแขกเข้าร้านก็ช่างหัวมันเนี่ยมันไม่เข้าเราขายแต่อาหารมันไม่กินมันจะไปดืม่มโซลาร์ก็ไปหาโุราร์ดื่มที่อื่นก็ได้ถึงแม้เรา จ, จะขาดรายได้จากพวกที่ชอบดื่มสซลารก็แต่เราได้สิ่งที่เราที่พระเจ้า ท, ทรงสอนในความเมตตาด้วยการมีสัมมาอาชิวะ เรามีอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อนแล้วมันจะทําให้เรานอนเป็นสุขรายได้ที่เราได้จากการขายสุรานี้มันไม่ทําให้เรานอนแล้วมีความสุขเนี่ยบางทีนอนแล้วอาจจะมีความนุ้งเสกไม่สบายใจก็ได้ไอ้สุราที่เราขายนี่คนที่เขาเาไปดื่มนี่เขาเอาไปทําอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมมีข่าวอยู่เรื่อยๆเมาแล้วขับกันขับกันเแื้อชนกันนี่เสียหา ย, ยเยอะอยิน เสียทั้งชีวิตเสียทั้งทรัพย์สินก็จากการดื่มชโลาเนี่ยอย่างนี้จึงต้องมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะใบกับขี่ตัดแต้มกันใครเมาแล้วขับลบสี่แต้มเลยถ้าสามครั้งก็ยึดใบกับขี่หกหเดือนมันต้องมีมาตรการเพราะการกระทำเหล่านี้มันสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ สังคมเราจะอยู่กันอย่างนอมเย็นไปสุดได้ก็เพราะว่าทุกคนมีความวิจิตสำนึกมีความเคารพในในความสงบสุขของผู้อืน่นไม่ควรที่จะไปก้าวไกา่ไปทำลายความสงบสุขของผู้อืน่นทำไรอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแต่ความสุขของตนเองจนมองไม่เห็นความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดจากการกระทําของตนเอง อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของสัมมาชีวสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาคือกลุ่มของศีลนั่นเองผู้มีศีลจึงเป็นผู้ที่อยู่แล้วมีความสบายใจเวลาเราอยู่กับผู้ที่มีศีลแล้วเราจะรู้สึกเย็นใจสบายใจไม่กลัวว่าทรัพย์สีลจะถูกขโมยไปไม่กลัวว่าจะถูกทำร้าย อันนี้แหละเป็นคุณค่ามากกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราอาจจะต้องเสียไปหรือไม่ได้มาเพราะเรามีสี่งกันแต่เราให้มองผลที่เรามองไม่เห็นกันนอกจากการที่เรามีความสุขในปัจจุบันแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยเวลาตายไปก็ไม่มีใครจะต้องไปเกิดในอบายกันด้วย ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกกันถ้าเราสามารถรักษาสิ่ได้มีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมม า, าชีวะชีวิตของพวกเรานี้ก็จะมีความนุ่มเย็ยนเป็นสุขถึงแม้จะไม่ร่ำรวยนี่ไม่สำคัญเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ ที่เป็นวัตถุนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะสร้างความสุขใจให้กับเราไดา้ข้าวของเงินทองต่างๆเดืรามนบ้านช่องต่างๆรถลาต่างๆถนนหนทางอะไรต่างๆไปไหนมาไหนสะดวกสบายรวดเร็วแต่ใจร้อนเป็นไฟใจไม่เย็นเลยสมัยนี้ถึงแม้ว่ามีการเดินทางได้อย่างรวดเร็วแต่ใจยิง่งร้อนยิ่งไปใหญ่สมัยก่อนจะเดินทางไปสักทีจากกรุงเทพ จากพัทยาไปกรุงเทพนี่อาจจะเดินทางเกือบวันหนึ่งนั่งเรือไปกันแต่คนนั่งเรือไปก็ใจเย็นชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลไปแต่คนสมัยนี้นั่งรถอย่างดีมีความเย็นฉ่ําแต่ใจร้อนยิ่งเป็นไฟอันนี้ก็เป็นเพราะว่าขาดความเมตตามีแต่ความเห็นแก่ตัวคิดจะเอาประโยชน์สุขให้กับตนโดยไม่คํานึงถึง ความเสียหายเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อื่นได้เพราะขาดการมีมีศีลนี่มีสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมม า, าชิโวนี่คืออธิบายให้ฟังว่าญาติโยมบางทีไม่เข้าใจทำไมมีมรรคแปดทำไมมีศีลสมาธิปัญญาแล้วยังมีทานศีลภาวนาอีกด้วย ทานสินิพพานานี้ก็มีมากแปดแต่บวกบวกเพิ่มมีขึ้นมาอีกอย่างก็คือทานอันนี้พระพุทธเจ้าจะเอามาสอนคนที่ยังใช้เงินใช้ทองอยู่คนที่ยังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ซื้อก็ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆซื้อความสุขจากการท่องเที่ยวต่างๆอันนี้พระองค์สอนว่ามันเป็นการใช้เงินทองไปในทางที่ผิดเพราะของเหล่า น, นี้มันเป็นเหมือนยาเสพติด ซื้อไปแล้วจะติดเศรษแล้วจะติดเวลาไม่ได้เสพ จ, จะทุกข์ถึงต้องสอนให้เราทำทานแทนให้ซื้อซื้อบุญแทนแทนที่จะไปซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เอาเงินทองมาซื้อบุญแทนเพราะบุญนี้แหละเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับใจอย่างแท้จริงและจะไม่ให้ความทุกข์กับใจเพราะไม่ใช่เป็นยาเสพติด เป็นอาหารของใจใจได้กินได้ทำบุญมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมีความอิ่มมากละเวลาใดที่ไม่ได้ทาก็จะไม่เดือดร้อนเพราะบุญเก่าที่ได้ทำไว้มันจะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มความสุขต่อไปได้ไม่เหมือนกับการเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อความสุขทางต า, งตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เวลาไปเที่ยวก็สุขกัน ไปลาไปเดินไปเต้นไปดูไปฟังอะไรก็สุขกันแต่พอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วก็รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเดี๋ยวก็อยากจะต้องไปอีกแล้วอยากจะออกไปอีกแล้วแล้วถ้าวันใดไปไม่ได้วันนั้นกอ็กอก่ีความเครียดขึ้นมาเช่นในตอนที่มีล็อกดาวน์นี่มีเงินมีทางเท่าไหร่ก็เงินทองก็เอาไปซื้ออะไรไม่ได้ร้านปิดหมดไปไหนไม่ได้ ทีนี้ก็รางหงุดเหงิดลำคาญใจอยู่ในบ้านบางคนก็เกิดโรคเคียดขึ้นมาอันนี้นะคือผลที่เกิดจากการใช้เงินไปซื้อความสุขในทางที่ผิดถ้าอยากจะใช้เงินซื้อความสุขในทางที่ถูกให้เอาไปทำบุญทาทานเถอะเวลาทำบุญทาทานแล้วเห็นคนอื่นเขาได้รับความสุขจากการเสียสละของเรามันทำให้ใจของเรานี้พูขึ้นมาใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิใจขึ้นมา แล้วจะทำให้ไม่หิวโหวยกับการหาความสุขจากของฟุ่มเฟือยจากของหรูหราของการอยากรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆคนที่ทำบุญมากๆนี้จะเป็นคนที่อยู่อย่างส ม, มะถะเรียบง่ายเสื้อผ้าพ อ, อนี้ก็ไม่หรูหราไม่แบรนด์เนมกระเป๋ารองเท้าก็เป็นของธรรมดาซื้อตามตลาดนั้นมาใช้เพราะไม่ได้มีความสุขกับของแบรนด์เนมเลยแม้แต่นิดเดียว แต่มีความสุขกับการที่ตนเองได้เสียสละได้เสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นไปอันนี้แหละเป็นความสูงส่งของจิตใจทำให้ที่ผู้ที่ทำบุญทำทานนี้ไม่ค่อยมาวิตกกับเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเท่าไหร่ไม่ต้องออวดความรวยว่าฉันขับรถคารละห้าสิบล้านใส่แต่งชุดกเชือผ้าชุดละห้าล้านอย่างี้มันไม่ได้เป็นคุณค่าของคนของพวกเหล่านี้ แบ่งไปก็เท่านั้นแหละมันไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะทำให้ใจมีความภูมิใจเลยความภูมิใจที่แท้จริงเกิดจากการเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของตนเองให้แก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนทานศีลภาวนาให้กับผู้ครองเรือนเวลาสอนศีลสมาธิปัญญานี้สอนให้กับนัก บ, บวชเพราะเหตุใดเพราะนัก บ, บวชนี้ได้สละเงินทองไปหมดแล้ว ก่อนจะไปบวชนี้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองเป็นนักบวชไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขให้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อเอาความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแทนการมีเงินทองสาหรับนักบวชนี้กลับเป็นภัยเสียด้ซ้าไปกลับเป็นอุปสรรคถ้า พระนักบวชไปมีเงินมีทองแล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อของมาให้ความสุขเหมือนกับตอนที่เป็นคารวะมันก็เป็นเหมือนกับไม่ได้บวชนั่นเองอยังอาศัยความสุขจากการใช้เงินทองอยู่ถ้าได้เงินทองก็ต้องก็ต้องออกไปทำบุญทาทานเท่านั้นเองถ้าจะใช้ก็ใช้ของที่เป็นสั ม, มณะบริโภคของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของสัมมณะก็คือปัจจัยสีอาหารบินบายกีบอ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเท่า น, นั้นเองเช่นเดียวกับผู้คลองเรือนก็เหมือนกันถ้าจะใช้เงินให้ถูกตั้งไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็ต้องเอาไปใช้กับการทาบุญและเอาไปใช้กับการดำรงดำรงชีพคือเอาไปซื้อปัจจัยสี่เพราะว่าร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่ม มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคนี่คือหน้าที่ของเงินทองของผู้คลองเรือนมีไว้เพียงเพื่อไว้ใช้ในการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยห้าไม่ไม่ให้เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเพราะมันเป็นเหมือนซื้อยาพิษลึศยาใส่ติดมาจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปได้ พระพุทธเจ้าเวลาสอนญาติโยมผู้ครองเรือนเลยต้องสอนทานเพิ่มทานศีลภาวนาทำทานแล้วก็รักษาศีลศีลก็เหมือนกับของพระอาจจะต่างกันมากน้อยศีลของคารวะจะเอาแค่ศีลห้าก่อนว่ามีกําลังน้อยเป็นเหมือนเด็กให้ยาเด็กกินก็ให้ลดขนาดลงผู้ใหญ่ก็กินมากกว่าเด็กเพราะตัวของร่างกายของผู้ใหญ่ใหญ่กว่าต้องการยารักษามากกว่าเด็ก เด็กร่างกายเล็กกว่าก็ลดขนาดยาลงศีลก็เป็นเหมือนยานี่ก็กินเอาแค่ศีลห้าก่อนสําหรับผู้คองเรือนไม่ต้องศีนสิศีนสองยบเจ็ 7, เหมือนพวกนักบวชรักษาศีลห้าแล้วถ้าวันไหนสะดวกก็ลองไปรักษาศีนแปดดูวันพระไปอยู่วัดลองไปถือศีนแปดูเพิ่มปริมาณขึ้นหัดเพิ่มปริมาณของยาให้มากขึ้นเพราะ ร่างกายจิตใจกำลังเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเริ่มปฏิบัติแล้วจิตใจก็จ ะ, จะเจริญเติบโตไปก็ตอนต้นก็อาจจะรักษาได้แค่ศีลห้าหรือบางทีศีลห้ายังไม่ได้ก็มีบางคนเอาแค่ศีลเดียวข้อเดียวก่อนบางคนขอรักษาข้อหนึ่งก่อนครับไม่ดื่มสุลาก่อนอย่างบางคนช่วงเข้าพรรษานี้ก็ถืองดการดื่มสุลาเอาหนึ่งข้อก่อนบางคนก็เอาสองข้อไม่ไม่พูดปลอ หรือไม่ประพฤติผิดประเพณีหรือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึง่งถ้ายังทำได้ข้อไหนทาได้ก็ทำไปข้อไหนยังทำไม่ได้ก็ต้องรอไว้ก่อนแต่ต่อไปก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองถ้ามีความตั้งใจมี ม, มีมีเป้าหมายว่าต่อไปจะต้องรักษาสีหน้าให้ได้แต่อตอนนี้กำลังยังไม่พอก็รักษาไปเท่าที่เรารักษาไปได้ก่อนค่อยๆทาไป ต่อไปก็รักษาได้ศี่ห้าข้อแล้วพอห้าข้อได้ก็เพิ่มเป็นข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดต่อไปได้ตามลําดับลำดับดมีการปฏิบัติก็เหมือนกับมีการกินข้าวนั่นเองหากินข้าวไปเรื่อยๆร่างกายก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆกําลังวังชาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆื่ก็จะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นไปตามลําดับการรักษาสีก็เช่นเดียวกันเรื่องการอาชีพก็เหมือนกัน ถ้ายังทำผิดอาชีพที่ผิดอยู่ก็อาจจะเริ่มคิดวางแผนว่าต้องเปลี่ยนนะอาจจะหาวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนเพราะว่าไม่อยากที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากจะไปสร้างความทุกข์เสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถึงแม้ว่าเรายองจะไม่ได้เป็นผู้กระทาก็ตามแต่ ก, ก็เป็นเหมือนผู้สนับสนุนแล้วก็ความทุกข์ยากเดือดร้อนนั้นก็อาจจะกลับมาหาเราก็ได้ เช่นเราไปขับรถไปดีๆก็อาจจะมีคนเมาแล้วขับมาชนเราให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ได้มันก็จะมีผลกระทบกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็วถ้าเรายังมีกา ร, ร, รทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องกันอยู่ต้งยังมีการขายสุรายาเมากันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของมักคของของญาติโยมคารวะผู้คลองเรือน ศีนเหมือนกันเพียงด้ามมากน้อยต่างกันของพระแล้วภาวนานี้ก็คืออะไรภาวนาก็มีแบ่งไว้สองระดับด้วยกันระดับรากเรียกว่าสมถะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบหรือสมาธินี่เองแล้ววิปัสนาภาวนาก็คือการทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทัท้งปวงก็คือปัญญานั่นเองให้เห็นว่าสภาวะธรรมทัท้งปวงนั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันอันนี้ก็คือมักวิธีเครื่องมือดับทุกข์เหมือนกันเพียงแต่ว่าผู้ที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสอนนี้มีสถานภาพต่างกันเลยสอนไม่เหมือนกันญาติโยมที่ไม่ได้ศึกษารายลียก็จะงงไว้ทำไมถ้าบางทีก็สอนสินสมาธิปัญญาบางทีก็ถอสอนเรื่องทานสินภาวนาก็เพราะว่าคนที่ฟังนี้มี าสามารถไม่เท่าเทียมกันก็เลยต้องสอนไปต่างกันไปบ้างเล็กน้อยแต่เป้าหมายก็อันเดียวกันนั่นเองให้เจริญนักแปดในที่สุดให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้ได้เช่นญาติโยมถ้าทำทานทำบุญบ่อยๆเข้าต่อไปก็จะไม่สนใจกับการใช้เงินทองไปซื้อความสุขก็จะอยู่แบบนักบวชได้มีเงินก็ามาซื้ออาหาร ซื้อปัจจัยสี่ถ้ามีส่วนเกินก็เอาไปทําบุญเมื่อไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องทํางานมากก็จะมีเวลามากที่ให้มาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเมื่อก่อนนี้เมื่อมัวแต่มุ่งหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มีเงินทองไปซื้อของอะไรต่างๆตามความอยากต่างๆแต่พอได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่านี่เป็นวิธีที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ให้กับใจ ก็เลยเปลี่ยนวิธีเลิกเลิกใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาไว้ใช้ซื้อแต่เฉพาะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเท่านั้นก็จะทำให้กรรรายจ่ายนี้ลดน้อยลงอย่างมากเมื่อมีรายจ่ายน้อยลงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีรายรับมากก็มีรายรับเท่ากับรายจ่ายก็พอก็อาจจะไม่ต้องทางานหนักเหมือนเมื่อก่อน อาจจะทำงานเพียงครึ่งเดียวของเมื่อก่อนนี้หรือน้อยกว่านั้นก็ได้ก็จะทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นเมื่อมีเวลาว่างก็จะได้มาปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้คือขั้นภาวนาขั้นศีลขั้นศีลจากศีลห้าก็มาเปลี่ยนเป็นศีลแปดเพื่อจะได้ไปภาวนาเพราะว่าศีลแปดนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนการภาวนาถ้าศีลห้านี้ลาพังจะไม่สนับสนุน เพราะว่ายังเปิดโอกาสให้ไปหาความสุขในทางรูปแบบอื่นได้เช่นไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ไปรับทานอาหารกี่ครั้ง ก, กี่มือ้อกี่เวลาก็ได้ไปดูไปฟังอะไรต่างๆก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ก็จะไม่มีเวลาเหมือนกันถึงแม้จะมีเวลามาภาวนาแต่ถ้าไม่รักษาสิ้นแป่ก็ยังจะไม่มีเวลามาภาวนาอยู่ดี เอาเวลาที่เราหยุดทำงานนี้ไปเที่ยวกันแทนแต่พอมาถือศีลแปดั๊บไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มอะไรมากเกินไปก็ไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ทีนี้มีเวลาเยอะแยะเลยเวลาที่เราจะได้มาภาวนากันเพราะการภาวนานี้จาเป็นที่จะต้องใช้เวลามากนั่นเองเพราะว่าเพราะว่า ใจของเรานี้คู่ต่อสู้ของเราคือกิเลสตัณหานี้มันทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่เราผู้ที่จะมาคอยสกัดกั้นมันกําจัดมันนี้เราทำกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงเวลาที่เราไม่ทำก็เท่ากับเราเปิดช่องทางให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยเราไม่รู้สึกตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะกําจัดค่าศึกตัดตูที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้นี้เราต้องทางานตลอดเวลา เพราะคู่แข่งของเราทํางานตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมากิเลสมันเริ่มออกทํางานนะเนิ่มคิดอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยากไปนูน่นอยากมานี่อยากทํานูน่นอยากทํานี่เราจึงต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเครื่องสกัดกิเลสขั้นต้นก็คือสตินี่พอเราเตื่นขึ้นมาเราก็ต้องทํางานทันทีเจริญสติทันทีทนทกิเลสมันคิดจะไปเที่ยวไปหาเงินไปทํานู่นทํานี่ ไปทำอะไรต่างๆเราก็สกัดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็ไม่ให้มันมีช่องทางที่จะคิดไปหาไปทำอะไรตามความอยากของกิเลสอันนี้การภาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลามากและต้องมีเวลาที่ต่อเนื่องทำแบบขาดขาดตอนๆไม่ได้เหมือนกับดูหนังขาดขาดตอนๆดูไม่สนุกเดี๋ยวจาไม่ได้ ดูแล้วครึ่งชั่วโมงก็พักเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําธุรกิจไปกินข้าวไปทํานู่นทงนี่ต่อเดี๋ยวกลับมาดูใหม่มันไม่ได้อัดถารกมันจําไม่ได้แล้วเมื่อกี้ดูถึงอะไรไปไหนเมื่อไหร่การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันจะมันต้องต่อเนื่องมันถึงจะได้ผลถ้าทําแบบนม้มนุกคุกขานี้ผลจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่ในเบื้องต้นก็มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เคยปฏิบัติแบบต่อเนื่อง มันก็ยังต้องล้มลุกคุกคานไปก่อนแต่เราต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องทําให้การปฏิบัติของเรานี้ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในแต่ละวันแต่ละครั้งพยายามฝึกสติให้มันต่อเนื่องให้มีพุทธโธอยู่คู่กับใจไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เกิดขึ้นที่กายและเกิดขึ um. ้น <apresent> ที่ใจเวลาความทุกข์นี้มันเกิดมันเกิดในปัจจุบันมันไม่ได้ไปเกิดในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันไม่ไปเกิดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันเกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้ลองคิดถึงความอยากดูคิดอยากได้อะไรขึ้นมานี้ความทุกข์ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้ทันทีคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีห่วงเขากังวลกับเขา เป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่เห็นหน้าเห็นตาหรือว่าเขาไม่สบายไปหาหมอไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรเพียงแต่ไปคิดแค่นี้มันก็ทำให้ใจเราทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราหยุดมันได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเขาจะเป็นอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเรง็งจะตายหรือไม่ตายนี้เราก็ไปห้ามมันไม่ได้อยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครของเขาของเราก็เป็นเหมือนกันแต่ใจของเราไม่ต้องทุกข์ได้ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ถ้าเรารู้มีการคอยสกัดกั้นความคิดที่จะคอยคิดสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราถึงต้องมีการรักษาศีลแปถ้าเราต้องการที่จะภาวนาเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปต่อสู้กับคุกค่าศึกศัตรูของเรา ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเดินขึ้นมากิเลสมันก็จะเริ่มออกทํางานทันทีอย่าคิดไปเรื่องที่จะทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความห่วงใยเกิดความไม่สบายใจอะไรต่างๆนานาเพราะเราปล่อยให้มันคิดพอเราควบคุมมันด้วยสติไม่ให้มันคิดความจริงไม่ต้องคิดหรอกถ้าเป็นนักปฏิบัติพอเราไ ม, ไม่ต้องไปทามาหากินหาอะไรแล้วที่เราใช้ความคิดกั น, นก็ไปหากิน ไปทำมาหากินหรือไปซื้อของอะไรต่างๆหาเงินหาทองหาลาบยศเสรเสรมันก็เป็นกวามคิดของกิเลสทั้งนั้นเน่ยเพราะขอเหล่านี้มันไม่ได้มาดับความทุกข์ให้กับใจของเรานอกจากไม่ดับแล้วมันยังเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีอะไรมันจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีทันทีเพราะเวลามีอะไรแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้มันจากเราไป เวลามันไม่อยู่กับเราเวลามันจากเราไปก็เกิดความทุกข erm ์ใจเวลาอยู่ก็กังวลใจว่ามันจะจากเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทุกข์ด้วยคนที่มีเงินก็ต้องทุกข์กับเงินทองคนที่มีครอบครัวก็ต้องทุกข์กับครอบครัวคนที่มีสมบัติอะไรก็ต้องทุกข์กับสมบัติคนที่มีตําแหน่งก็ต้องทุกข์กับตําแหน่งคนที่มีได้รับรางวัลก็ต้องทุกข์กับการรับรางวัล พรามรับรางวัล น, นี้แล้วก็อยากจะได้รางวัลครั้งต่อไปเล่นฟุตบอลเห็นไหมชิงแชมป์กันแต่ละครั้งก็อยากจะได้กันไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียตำแหน่งแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสียเพราะไม่มีใครจะยืนหยัดอยู่ได้ไปตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันแพ้ลงไปพอไม่ได้พอแพ้ก็เกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจขึ้นมานี่นี่คือปัญหาที่พวกเราไม่รู้กัน ความทุกข์ของพวเราเกิดจากการที่เราไปมีอะไรต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เรามีนั้นมันเป็นตายักมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราทําให้มันเที่ยงไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันไม่มีใครควบคุมบังคับได้ดังนั้นการที่เราจะดับความทุกข์ได้เราต้องดับด้วยการไม่มีอะไรอยู่กับความว่างให้ได้ การจะอยู่กับความว่างได้ก็ต้องมีการภาวนานองภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้ได้เพาเมื่อใจสงบแล้วใจจะหยุดคิดหยุดอยากแล้วก็จะอยู่กับความว่างได้จะมีอุเบกขาขึ้นมาไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติบลังสุขขังสุขเอินที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีสุขที่สูงสุดสุขที่ดีที่สุดก็คือสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้พอทำใจให้สงบนี้ได้แล้วสบายอิ่มพอไม่หิวไม่โหยกับอะไรต่อไปแต่ความสุขสงบที่ได้จาก สติจากสมาธินั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าจิตไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาเพราะจำเป็นที่จะต้องออกจากสมาธิมาเพื่อที่จ้องมาดูแลเรื่องของร่างกายมาคอยหาน้ำให้ดื่มหาอาหารให้รับประทานมาเปลี่ยนอิริยาบถเดินออกกำลังกายทำไรต่างๆพอจากสมาธิมาความสงบ ความสุขที่ได้จากความสงบก็ค่อยๆจางไปแล้วถ้าไม่มีสติรักษาความคิดไว้เดี๋ยวก็คิดไปทางกิเลส ข, ขึ้นมาได้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจเกิดความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆขึ้นมาต่อไปได้วิธีที่จะทําให้ความคิดฟุ้งซ่านความคิดทางกิเลสนี้มันหมดสิ้นไปสําหรับผู้ที่ได้สมาธิแล้วก็คือเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาใช้ปัญญากันมาศึกษาวิธ มาเรียนรู้ทางปัญญาว่าอะไรคือปัญญาปัญญาก็คือให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสอยากได้กิเลสต้องการนี่แหละเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่มีใครไปสั่งให้มันเที่ยงได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเองคอเวลาอยากได้อะไรมองไปเถอดสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์ทั้งนั้นอยากได้ลาบก็ทุกข์อยากได้ยศก็ทุกข์อยากได้สรรเสริญก็ทุกข์ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมายก็ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงบางทีอยากได้ก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ทุกข์กันหรือว่าได้มาแล้วพอมันเสียไปมันหมดไปก็ทุกข์อีกมันทุกข์ตลอดเวลาทุกข์ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เวลาอยากได้อะไรใจก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาแ ล, แล้วพอได้มาก็ทุกข์กับการดูแลรักษามัน และเวลารักษาไม่ได้มันจากไปก็ทุกข์กับมันี่มันทุกข์ตลอดเวลาเวลาที่เรามีอะไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาว่าสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นของล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ว่ามันเป็นสองที่เราไม่สามารถทําให้มันเที่ยงได้ไม่สามารถทําให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา อันนี้คือการเจริญปัญญาการพิจารณาด้วยปัญญาพอเวลาใจเกิดกิเลสเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องพิจารณาตายรักในสิ่งที่เราอยากได้ทันทีแม้แต่ร่างกายของเรานี้เราก็อยากไปอยากมันอยากไม่แก่ก็ทุกข์อีกอะเพราะว่าร่างกายมันต้องแก่ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันไม่เที่ยงมันต้องแก่อยากไม่เจ็บมันก็ทุกข์อีกก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักเหมือนกันอยากไม่ตายก็ทุกข์อีก เพราะว่ามันต้องตายมันมีความจริงพอเห็นความจริงก็หยุดความอยากได้เพราะว่าไม่อยากจะไปทุกข์กับร่างกายร่างกายมันจะแกะ่ก็ปล่อยมันแก่ไปร่างกายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิมีอุเบกขาล้วก็วางเฉยได้พอมีปัญญา อุเบกขาที่เราได้จากสมาธิก็จะทาให้ใจเราเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่เดื อ, รอดอร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายแต่รับรู้รับรู้ว่าร่างกายเจ็บร่างกายปวดแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้รู้ว่าอยู่กับมันได้อยู่แบบไม่ทุกข์ได้ถ้าเรามีอุเบกขาถ้าใจเรารวางเฉยได้จากสมาธิถ้าเรามีปัญญาแต่ใจไม่ยอมวางเฉย เราก็ต้องกลับไปทำสมาธิพิจณะเจริญพุทโธพุทโธไปเมื่อดูลมหายใจเข้าออกไปให้ใจสงบนิ่งให้เป็นอุเบกขาเวลาใดที่มันไม่ยอมรับด้วยปัญญาก็ต้องใช้สมาธิช่วยให้มันยอมรับให้ได้ให้มันวางเฉยให้ได้อันนี้แหละก็เป็นขั้นตอนของการประเดี๋ยวมักเหมือนกันแต่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นทานศีลภาวนา แต่ถ้ามาพิจารณาวิเคราะห์ลึกๆแล้วมันก็เป็นมรคแปดบวกด้วยหนึ่งมรคแปดบวกได้หนึ่งคือทานเพราะว่าผู้ครองเรือนนี้ยังมีเงินมีทองยังติดกับการใช้เงินใช้ทองมาดับความทุกข์อยู่ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ที่ถูกต้องการดับความทุกข์ที่ถูกต้องด้วยเงินทองต้องดับด้วยการทำบุญทำทานเวลาทำทานแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่เสียดายเงินที่เสียไป เวลาเงินหายต่อไปข้างหน้าก็จะไม่ทุกข์เพราะคิดว่าเป็นการทําบุญไป mm hmm. ว่าเําทบุญแล้วใจมีความสุขแล้วรู้ว่าเงินทองก็เป็นของไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปนึกจากเราไปเพราะถ้าเราพึ่งเงินทองเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่พึ่งเงินทองเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินทองหรือมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น มีเพื่อการรักษาร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึ่งแต่ในที่สุดแม้แต่ร่างกายเราก็รักษามันไม่ได้ถึงเวลาที่มันจะต้องตายถึงเวลาที่มันต้องเจ็บเราก็ต้องใช้ธรรมโอสสคือเราต้องใช้ภาวนาการภาวนานี้มาดูแลใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายเพราะเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนในที่สุดก็จะต้องเจอข้อสอบอันเดียวกัน เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเจอความตายแต่ถ้าเรามีการภาวนาเรารู้จักวางเฉยได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายได้ใจของเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายของร่างกายเพราะเรามีการภาวนาอนนี้ก็เป็นเรื่องของคารวะญาติอยู่พระอุตเจ้าก็ทรงสอนทานศีลภาวนาไป แต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเหมือนกันเป็นเรื่องของของการดับความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมมบทไหนข้อใดก็เป็นธรรมมที่เอามาใช้เพื่อในการดับทุกข์ตรงนั้นบางตีก็ทรงแสดงเรื่องของพระหา้าหรืออินทรียห้าแสดงเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่เอาศรัทธามาเพิ่มก่อนที่เราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องมีศรัทธาก่อน แล้วต้องมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ดับทุกมาได้แล้วแล้วเอาคาสอนวิธีการดับทุกนี้มาสอนพวกเราถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ถ้าเราเชื่อเอชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถบรรลุถึงวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วแล้วมีพระเมตตานาเอาความรู้ นำมาวิธีการดับทุกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราคือสอนให้พวกเราเจริญสติสอนให้พวกเรามีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติในการนั่งสมาธิในการเจริญปัญญานี่ก็อยู่ในภาระห้ามันก็เป็นเรื่องของมรรคเหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนที่จะพูดถึงเรื่องสีเรื่องทาน ท่านก็เปลี่ยนมาพูดเป็นเรื่องของศรัทธาแทนให้มีศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนในวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรก็พระพุทธเจ้าก็ทำทานสละราชสมบัติออกบวชเป็นนักบวชไม่ใช่เงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์พอรู้ว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้ก็เลยละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองละราชสมบัติ แล้วก็มาถือศีลมาเป็นนักบวชแล้วก็มาเจริญมามาสร้างความเพียรในการเจริญสติสมาธิปัญญาเพียรเจริญสติเพียร น, นั่งสมาธิเพียรเจริญปัญญาอันนี้ก็เป็นมรรคอีกแบบเดียวกันเป็นเครื่องมือดับทุกข์ได้เหมือนกันนักศึกษาผู้ศึกษาแล้วต้องเข้าใจต้องวิเคราะห์ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด เรื่องพระห้าเอ็นซีห้าโพชฌงเจ็ดก็เป็นเรื่องของมรรคเท่านั้นหรือแม้แต่บารมีสิบก็เป็นเรื่องของมรรคเหมือนกันให้เรามาสร้างบารมีสิบบาลมีสิบก็เน้นไปทางให้มีความเมตตก่อนเมตต ก, ก็คือมีสัมมาชีวะนี่ให้ทำอาชีพที่ไม่ไปเบียนเบียนผู้อื่ให้ให้ให้ความสุขให้ช่วยเหลือผู้อื่แล้วก็ทานบาลมีศีลบาลมีทะแล้วก็มี เนคข ม, มะบาลมีก็คือการถือศีลแปดก็เรียกว่าเนคข ม, มะบา ร, รมีอุเบขาบา ร, รมีก็คือการเข้าฌานเข้าสมาธิให้ได้อุเบขาแล้วก็ปัญญาบา ร, รมีมันก็เป็นเรื่องของมรรคเหมือนกันทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่บางครั้งบางเวลาพราะองค์ทรงเลือกสอนวิธีที่มันกระจางให้สําหรับผู้ที่อยู่ผู้ที่ฟังให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ก็เลยอาจจะมีการใช้ธรรมะซึ่งอาจจะมีการแตกต่างไปบ้างบางข้อบางรายการอาจจะไม่พูดถึงแต่มันก็รวมอยู่ในรายการอื่นไปโดยปริยายถ้าปฏิบัติตามมันก็จะได้ผลเหมือนกันคือความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยๆดับไปตามลําดับของการปฏิบัติอย่าไปเข้าใจว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะหลุดพ้นแบบทันทีทันใดร้อยเปอร์เซ็นตเลยมันไม่เป็นอย่างนั้น การปฏิบัติมันก็ดับกันเป็นขั้นๆไปการดับทุกนี้มีแบ่งถึงอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับของพระอริยบุคคล4ระดับพระโสดาบันก็ดับทุกไปได้ส่วนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ก่า จ, จะร้อยละร้อยละสามสิบดับไปได้ร้อยละสามสิบขั้นที่สองพระสกิรดาคามีก็ดับไปได้ร้อยละสี่สิบพระนาคามีก็ดับความทุกขไปได้ร้อยละห้าสิบ ผ้าอาหารก็ดับได้เต็มร้อยเพราะขั้นตอนของการปฏิบัติมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนเป็นการรักษาโรคแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันเหมือนร่างกายของเราบางทีมีโรคภายไข้เจ็บหลายโรคด้วยกันหมอก็ต้องแยกแยะรักษาไปทีละโรคโรคนี้โรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆก็ต้องใช้วิธีการรักษาไป ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรักษาปุ๊บมันจะหายไปทีเดียวพร้อมกันหมดโรคไหนรักษาง่ายมันหายเร็วมันก็หายก่อนอันไหนที่มันรักษายากหายช้าก็ต้องใช้เวลารักษาไปก่อนความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราก็เป็นแบบนี้มันมีทุกข์ที่เบาทุกข์ที่หนักทุกข์ที่ดับได้ง่ายกว่าทุกทุกข์ที่ดับได้ยากกว่ามันต้องเลยต้องเป็นไปตามขั้นตอนแต่ถ้าปราบับปรับใดที่มีการปฏิบัติ จเจริญศีน ส, สมาธิปัญญาหรือจเจริญทานศีลภาวนาหรือจเจริญมากแปหรือจเจริญบารมีสิหรือจเจริญพระหา้าอินทรีหา้าอันนี้ก็เป็นการรักษากับาบำบัดความทุกข์ของใจเหมือนกันหมดแล้วทุกข์มันก็จะค่อยๆดับไปเป็นขั้นๆมันจะไปขั้นโสดาบันก่อนแล้วไปขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามี นนในที่สุดก็จะไปขั้นพระอรหันต์ตามลําดับต่อไปแต่การบรรลุสขั้นนี้ช้าเร็วก็ต่างกันนะบางคนก็อาจจะบรรลุใกล้ๆพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วได้ขั้นที่หนึ่งปุ๊บขั้นที่สองก็ตามมาขั้นที่สาก็ตามมาขั้นที่สี่ก็ตามมาอย่างในพระไตรปิฎกก็มีมีการแสดงไว้ว่ามีเพ็กสูรริ่มหนึ่งพิจารณาปัญญาขณะที่โป่งผมขณะที่ลงมีดโกนครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระสโสดาบัน พอพิจารณาครั้งที่สองพอลงมีโกนครั้งที่สองก็บรรลุผ้าสกิดดาคามีพอครั้งที่สามก็บรรลุพระอานาคามีพอครั้งที่สี่ก็บรรลุเป็นผ้าอาหารหันได้เลยในขณะที่ปลงผมสามารถบรรลุกันได้อย่างต่อเนื่องเลยแต่บางท่านนี่บางทีบรรลุเป็นโสดาบันแล้วติดอยู่ตรงนั้นเป็นปีก็มีอย่างผ้าอาโนนนี่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปติดธุระรับใช้พระพุทธเจ้าต้องอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าถึงยี่สิบกว่าปีด้วยกัน ก็ไม่ได้บรรลุขั้นอื่นแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์พระปรณนิพานไปแล้วพระอานาคามพาาระอนุ์ก็ไม่มีทุร ะ, ะว่างก็ไปปีกวิเวกไปเจริญสติสมาธิปัญญาได้อย่างต่อเนื่องเพียงสามเดือนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้งนั้นเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องของการบรรลุวิมุตติ การดับความทุกข์ต่างๆนี้ของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะามาเปรียบเทียบกับของเราได้ของแต่ละคนนี้ช้ายากช้าเร็วง่ายยากมันไม่เท่ากันเพราะความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกฝนอบรมที่ได้เจริญมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มีมากน้อยไม่เท่ากันดังั้นอย่าไปท้อเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาเสร็จเร็วกว่าเราแล้วเรายังไม่เสร็จอย่าไปตัดเพราะว่าเอ้ยเราทําไม่ได้หรอกไม่จริงหรอกทาได้ทุกคน แต่ว่าช้าหรือเร็วเทนั้นขอถามใดที่มีความเพียพรพยายามอยู่ขอให้ระ ล, ลึกถึงคําสอนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรขอให้จาข้อนี้ไว้เท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นค า, ารวาสเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ที่จะบรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถามใดถ้ามีความเพียรแล้วบรรลุได้ทุกคน ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่เพียรมากเพียร น, น้อยมีบรารมีสะสมมามากมาน้อยเท่านั้นเองแต่ไปได้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรอย่างแน่นอนขอให้ อ, อย่าขี้เกียจเท่านั้นเองอย่าทะเลทไลายไปทําเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของมรคนะให้อยู่กับเรื่องของมรคไปตลอดแล้วผลมันก็จะตามมาอย่างอย่างแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราเพียรมากก็จะ ได้เร็วได้มากเพียงช้าเพียงน้อยก็จะได้ได้ช้าบรรลุช้ากว่ากันเท่านั้นเองอย่างพระนอนนี่ก็ไปรับภาระรับอุปถาของพระเจ้าถึงยี่สิบปีก็เลยไม่มีเวลามาปฏิบัติงานของตอนเองก็เลยต้องเสียเวลาไปยีป่สิบกัปีพอหลังจากพระเจ้าจากไปแล้วก็เลยมีเวลาว่างพอไปปฏิบัติจริงๆเข้าสามเดือนก็บรรลุได้ อนี้ก็คือเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าทรงนํามาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับสารโลกอย่างพวกเรามีจุดประสงค์อันเดียวเท่านั้นเองเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะการมีความทุกข์นี้มันไม่ดีไม่มีใครอยากจะทุกข์กันแต่ที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราขาดการปฏิบัติที่ถูกต้องขาดการปฏิบัติมรรคแปดหรือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญากัน ละมัวแต่เอาเวลาไปดับทุกข์ด้วยการไปหาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นการดับทุกข์ที่ได้อย่างแท้จริงดับได้เพียงชั่วคราว เ, าเวลาหงุดหงิดใจมีเงินก็ไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวความทุกข์ความหงุดหงิดใจก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอเงินหมดกลับมาบ้านก็ทุกข์ใหม่ mm hmm. อีกปัญไปใช้วิธีเหล่านี้ให้ใช้วิธีที่ได้สแสดงไวในวันนี้มักแปดเอยศีล ส, สมาธิปัญญาเอยหรือทานศีลภาวนาเอย อันนี้แหละเป็นวิธีการดับทุกข์ที่สามารถนำนาพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็ขอฝากเรื่องของการดับทุกข์ทีท่พระเจ้าทรงนำมาสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี้ไว้เพียงเท่านี้ข อ, ขออนุโมทนาให้พรรยะถาวาิวาาปุราปาริปุเรนติสะครลัง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 มาเตภวัตวันตาลอยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังหาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกคุยกันเพราะหลังจากเลิกแล้วมันจะไม่ไม่ว่างมีเรื่องอื่นต้องทำแล้วก็เสียงก็จะเบาไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่ฉันจะพูดพู ด, พดตอนนี้เพราะมีไมโครโฟนพวกเราจะได้ยินได้ฟังได้กันอย่างชัดเจนไม่ถ้าถามเองไม่ได้ก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมือถือก็ใส่ส่งเข้ามาทางเพจหรือทางยูทูบแล้วทางทีมงานจะนำเามาอ่านวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ ปราเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุตจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ560จาก YouTube พระสุชาติ Live 270 YouTube Dr. V Channel 118วิทยุออนไลน์7คลับ h o u s ์19นาคุด126รวมทั้งหมด 1,100 ท่านค่ะโอเคถ้ามีคำถามก็เอามาอ่านได้เลย คำถามแรกจากคุณชยาภาค่ะโยมขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อจนโตและเป็นอาหารคนโยมจะขัดต่อการปฏิบัติธรรมไหมคะก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ไม่ควรจะทำเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์ที่มีชีวิตที่เขาจะต้องตายเพื่อเป็นการทำอาชีพของเราก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะเปลี่ยนอาชีพจะดีกว่า เพราะนี่เป็นการขาดความเมตตาต่อสปปรรพสัตว์ทั้งปวงถ้าเรามีความเมตตาเราต้องระมัดระวังเวลาเราทำอะไรนี้จะไม่ให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมถ้าใจขาดความเมตตานี้จะทำใจให้สงบได้ยากอันนิสงของความเมตตาก็คือเวลาภาวนาจิตจะสงบได้ คำถามถัดไปจากคุณลีลาวดีกราบเจ้าค่ะเราพาเพื่อนๆนเพื่อนไปเที่ยวความสุขทางกายใช้เงินเที่ยวหาความสุขกลับมาเดี๋ยวความสุขก็หายไปคนพาไปมีบาปบุญอย่างไรเจ้าคะก็เหมือ น, นกับชวนคนไเสพยาเสพติดใช่ไหมก็ทำให้เขาติดและเวลาเขาไม่ได้เสพเขาก็จะทุกข์ควรจะพาเขาไปทําบุญดีกว่าพาทำบุญแล้วเขาก็ได้ความสุขเหมือนกันนัเป็นความสุขที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ติด เวลาไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ทุกข์เนี่ม ไปจากคุณนาวาหนูฝึกเจริญเมตตาอุเบกขาฝันว่ามีคนมาไล่ฟันตกใจแต่ไม่โกรธยอมให้เขาฆ่าไปแต่ในฝันอีกครั้งเห็นลูกเป็นเนนถูกทำร้ายเราเจ็บปวดไปด้วยเราเกิดโทสะมากเข้าปกป้องลูกพอตื่นแล้วลูกรู้สึกผิดที่มีโทสะต่อคนเหล่านั้นเป็นจิตใต้สำนึกใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วจะต้องฝึกซ้อมใจอย่างไรคะสอนใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องรับเา รับกรรมของตนเองเขามีกรรมเป็นของของเขาจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็าจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไปป้องกันไม่ได้ไปโกรธคนที่มาทําร้ายเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปสร้างความเกลียดชังขึ้นมาขาดความเมตตาถ้าเรามีความเมตตามีอุเบกขาเราก็ต้องปล่อยวาง คำถามคำถามถัดไปจากคุณจุรารัตน์ขออนุ ญ, ญาตสอบถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราฟุ้งซ่านมากใช้พุโทโธกดไว้แล้วเครียดแต่พอไม่ใช้พุโทโธก็จะฟุ้งไปเลยเรายอมให้เครียดไวสักหน่อยแบบนี้ดีกว่าไหมคะก็ใช้วิธีอื่นได้ถ้าพุโทโธมันกดก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้หรือใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เวลาเราฟุ้งมากๆ ก, ก, ก, ก็ลองมานั่งฟังเทศฟังธรรมหรือปิด ปดธรรมะดูเปิดยูทูบอะไรฟังไปหรือสวดมนต์ไปสวดบทที่เราเข้าใจจำได้ที่ปิสโสไป คำถามถัดไปจากคุณจรัญญาขออนุญาตฝากคำถามสามคำถามค่ะในสติปัฏฐานสลักษณะของจิตเห็นจิตคือการที่เรารู้ความคิดของเราในปัจจุบันนั้นๆตอนนี้เรากําลังโลภอยู่หรือตอนนี้เรากําลังมีอารมณ์โกรธเป็นลักษณะของจิตเห็นจิตในสติปัฏฐานสหรือเปล่าคะแต่เราก็รู้ทันอารมณ์และอารมณ์นั้นก็ดับไปค่ะคือรู้เพื่อให้เราไม่ทุกข์กับอารมณ์เหล่านั้น มันจะ ด, ดับไม่ดับไม่เป็นไรเพราะเราเป็นบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่อยากให้อารมณ์นั้นเกิดหรือดับนั้นอย่าไปอยากกับอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นรู้เฉยๆปล่อยวางเดี๋ยวมันเกิดของมาเองเดี๋ยวมันก็ดับของมาเองคำถามที่สองปัจจุบันนี้โยมพยายามรักษาใจตัวเองให้อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เรามีการให้ทานรักษาศีลโยมก็พอทําได้ค่ะพอมาถึงขั้นตอนต่อมาคือเจริญสติโยมเลยต้องข่มใจตัวเองให้อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ให้วอกแวกไปทางอื่นเพราะโยมเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าโยมปฏิบัติต่อไปได้เลยใช่ไหมคะก็ทําทําไปเรื่อยๆทําตามกํำลังของเราไปทําได้มากได้น้อยก็ทําไป คุณแก้วลำโพงตัวซ้ายมือเรานี่มันเสียไงอยู่ดีๆมันก็ดับไปย้อนดูเรื่องมันเกิดจากอะไรนะั้คำถามที่สามในสติปัฏฐานสี่ข้อธรรมหมายถึงเราเห็นอะไรต่างๆว่ามีลักษณะไม่เที่ยงถูกต้องหรือเปล่าคะขอบพระคุณคะ่ะก็ได้ธรรมก็คือเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัาตตาก็ได้ รู้ดูว่าทำที่เราควรจะมีในใจลองมีหรื อ, อยังนมีสติมีปัญญามีสมาธิหรื อ, อยังถ้าไม่มีก็จเจริญสติสมาธิปัญญาเพิ่มมากขึ้นมองเห็นทำคืออริยสัจสี่หรื อ, อยังเห็นใจรักหรื อ, อยังนี่ก็เรื่องของธรรม คำถามจากคุณนัทธวัค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต่างๆเป็นขั้นมรรคและขั้นผลเช่นบรรลุขั้นพระอนาคามีมรรคและพระอนาคามีผลมีความหมายอย่างไรครับคือมรรคก็คือเป็นเหมือนบันไดเราจะขึ้นจากชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นที่หนือได้เราต้องเดินขึ้นบันไดนการเดินขึ้นบันไดเรียกว่าเป็นการเจริญมรรค พอจเจริญมรรคได้สมบูรณ์เดินขึ้นบันไดถึงขั้นขั้นสูงสุดมันก็ขึ้นไปถึงชั้นที่เราต้องการขึ้นไปได้ชั้นแรกก็คือชั้นโสดาบันชั้นที่หนึ่งพอถึงชั้นที่หนึ่งอยากจะขึ้นชั้นที่สองก็ต้องจเจริญมรรคของชั้นที่สองต้องเดินขึ้นบันไดของชั้นสองมรรคคือการขึ้นบันไดการเดินบนบันไดพอเดินถึงชั้นเราก็ถึงว่าถึงมรรคไดบรรลุผลไดถึงผล มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันธรรมะที่เราปฏิบัติกั น, นี้ตอนนี้เราเป็นปุถุชนเราอยู่ชั้นล่างตอนนี้ถ้าเราจะขึ้นชั้นอริยะบุคคลเราต้องขึ้นบันไดต้องจเจริญมรรคคือเราต้องพิจารณาตายรักในขันห้าขั้นที่หนึ่งนี้ต้องพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็นตายรักแล้วปล่อยวางปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราพอปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็แสดงว่าได้ขึ้นถึงชั้นที่ชั้นที่หนึ่งคือชั้นโสดาบันเราจะขึ้นชั้นที่สองก็ต้องขึ้นบันไดของชั้นที่สองไปชั้นที่สามก็ต้องขึ้นบันไดของชั้นที่สามและชั้นที่สี่ไปตามบันได มักก็คือการเจริญปัญญาพิจารณาตายนักในเรื่องต่างๆที่ใจยังไปเกี่ยวข้องอยู่ยังไปทุไปติดไปทุกข์อยู่พิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางเพื่อล่ความอยากคำถามถัดไปจากคุณพันธิวาข้อหนึ่งพระอาจารย์เคยได้เคยสนทนากับหลวงพ่อปัญญาหรือจำพรนษาร่วมกันที่วัดป่าบ้านตาดหรือเปล่าครับ หลวงท่อปัญญาเพื่อท่านก็อยู่บ้านตาตลอดเวลาแล้วช่วงที่เราอยู่ก็อยู่กับท่านค่ะแล้วพระอาจารย์เคยช่วยจัดทำหนังสือธรรมะดวงตาเป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมครับก็ช่วยแปลบางทีท่านปัญญาท่านไม่เข้าใจภาษาไทยบองคำท่านก็มาปรึกษาแล้วก็อธิบายท่านฟัง คำถามจากคุณเด็กน้อยๆอยๆกราบนมัสการถามครับมีความนึกคิดที่เป็นการบาราคะที่ผุดขึ้นมาบ่อยๆก็เลยต้องนึกถึงภาพอสุภะเพื่อจะหักล้างกันมันเป็นปกติของปฐุชนใช่ไหมครับต้องบรรลุธรรมขั้นไหนถึงจะหมดไปครับต้องขั้นพระนาคามีขั้นที่สามคำถามจากคุณพรมฤทธิ์ กรา บ, บนมัส ก, การท่านพระอาจารย์ผมชอบแผ่เมตตาให้กับคนอื่นแต่ไม่ค่อยแผ่เมตตาให้กับตนเองจําเป็นหรือไม่ที่เราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็การแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นก็เท่ากับการแผ่เมตตาให้กับตัวเรานะั่นแหละเพราะเป็นการสร้างความสุขให้กับเราเราให้ความสุขกับผู้อื่นเราก็ได้ความสุขนั้นกลับมาไม่ต้องกังวลเรื่องแผ่เมตตาให้ตัวเราเอง พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาให้แผ่เมตตาให้ตัวเองให้สอนให้แผ่ให้กับสรบรพสัตว์ทั้งปวงพอเมื่อเราแผ่เมตตาเราก็มีความสุขก็เท่ากับแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองค่ะคำถามจากคุณแบมแบมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะบางทีมีความกลัวบาปมากจนเครียดชอบเอาการกระทําตัวเองของตนเองมาคิดถึง ย้อนว่าที่ทำเราที่ทําลงไปบาปไหมคอยระวังเวลาพูดไม่ให้ผิดเวลาพูดคุยกับเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่เราสงสัยว่ามีคนอาจทําบาปก็จะเครียดเราไม่อยากเกี่ยวด้วยแต่ก็ไม่รู้ทํำยังไงเหมือนมันคิดลงรายละเอียดมากควรจะทําอย่างไรดีคะและมันเกิดจากอะไรคะก็หยุดความคิดบ้างถ้ามันคิดแล้วฟุง้งมันเครียดก็ใช้พุโทโธพุธโทโธอยู่มันคิดเกินเกินเหตุเกินผลไป ให้คิดอยู่ในกรอบของเหตุผลก็พอถ้ามันฟุ้งมันทุกข์ก็แสดงว่าเกินเหตุเกินผลนะ้วเราก็ต้องหยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันะพอมันหยุดแล้วใจยเย็นสงบแล้วก็ค่อยมาพิจารณาตามเหตุตามผลก็พอว่าทำอย่างนี้แล้วเกิดผลอย่างนี้เกิดขึ้นแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปรู้อะไรมากไปกว่า น, นั้นถ้ารู้ว่าทํำบาปไม่ดีก็อย่าไปทํามันแค่นั้นเองค่ะยังไม่มีคำตอบ มีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะห้ามถามนะหลังจากที่เราเลิกแล้วนะบางทีชอบมาคุยเป็นการส่วนตัวพร้อมหลังใหม่ไม่มีเวลามันหมดแรงเสียงมันไม่เสียงมันค่อยแล้วญาติโยมบางคนก็มาขอถ่ายรูปบางคนก็มาอะไรมันก็เลยไม่สะดวกคุยกันต้องคุยแบบเวลาที่แบบนี้ทุกคนนั่งนิ่งเฉยๆแต่ถ้าต้องคุยกันแล้วคนนู้นทำนู้นคนนี้ทํานี่มันมันไม่สงบ คุยกันไม่ได้รสชาติคุม่คําถามพี่คะคําถามจากคุณชะดาพร์กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหากจะแนะนําหลักการใช้ชีวิตให้มีความสุขให้แก่เพื่อนหลากหลายาศาสนาได้นําไปใช้เราควรแนะนําการใดแก่เขาคะกราบสาธุ ค, ค่ะ น, นี่ที่บาทซีเอ้ยต้องไม่หันซีเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ขอให้เรามีเมตตาต่อกันมีการุณามีมุนิตามีอุเบขาแล้วชีวิตของพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่เบียดเบียนกั น, นคำถามถัดไปจากคุณน้ำฝนค่ะ สอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ลูกอายุ37มีความสนใจใฝ่ทางธรรมะแต่ยังค้องกับครอบครัวมีลูกน้อยที่ต้องดูแลอยู่ในอนาคตถ้าหนูยังใฝ่ธรรมะอยู่หนูจะออกจากครอบครัวไปหาทางหลุดพ้นได้ไหมคะได้แต่อย่าไปกังวลถึงอนาคตเลยเพราะคําว่าถ้ามันไม่แน่เอาในปัจจุบันดีกว่า พยายามทำเท่าที่เราทําได้ตอนนี้เรามีความปรารถนาจะปฏิบัติก็ปฏิบัติเท่าที่เราทําได้ไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติทันทีทันใดให้มันเต็มรูปแบบไปเลยว<ม>ัปฏิบัติพลาดทางไปก่อนเป็นมือสมัครเล่นไปก่อน<ม>เวลาไหนว่างก็ปฏิบัติเวลาไหนไม่ว่างก็พักการปฏิบัติไว้ชั่วคราวก่อน<ม>ถ้าเปรอเวลาที่เราพร้อมแล้วบางทีมันเราเราอาจจะไม่มีกําลังหรือไม่มีความอยากจะไปแล้วก็ได้อาจจะเปลี่ยนใจขึ้นมาก็ได้ คําถามถัดไปจากคุณกอล์ฟค่ะกลับนมัสการครับเรื่องการพูดบางครั้งเราพูดไม่ค่อยระวังถึงใจคนอื่นเราพูดไปซื่อๆตามหลักธรรมที่เป็นที่เข้าใจไม่ได้เป็นคําหวานอาจจะทําให้คนไม่พอใจพิจารณานิสัยตนเป็นคนไม่ค่อยจะหวานหูเอาใจใครแต่การกระทําตรงกันข้ามกันเราคิดหรือปรับตัว และปฏิบัติอย่างไรต่อครับก่อนจะคิดหรือจะทาอะไรก่อนจะพูดอะไรจะทาอะไรให้คิดให้รอบคอบก่อนว่าเราควรจะพูดแบบไหนถ้าพูดไปแล้วมันไม่เกิดผลดีก็อย่าไปพูดพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาฟังแล้วเขาสบายใจเขาสุขใจเขาได้ประโยชน์ก็ค่อยพูดอย่าไปพูดด้วยความอยาก ถามจากคุณพันธิว่าอยากบวชเป็นพระนานๆไม่ให้กิเลสเข้ามากวนใจจำเป็นจะต้องทำตามวิธีอาจารย์ที่ว่าให้ทดลองอยู่เฉยๆไม่ไม่คิดอะไรให้ได้นานๆให้ได้ซะก่อนถูกต้องไหมครับได้ทำได้ก็ดีเพราะว่ามันจะควบคุมความอยากได้พอสมควร จาคุณเดอะมัลติเวอร์ชวลูนิตี้ศีลแปดเวลาที่จะอยู่ตัวเองรู้จักกับตัวเองอะไรคือเราที่แท้จริงใช่คิดใช่นึกหรือสิ่งที่คิดนึกหรือไม่มีเวลาเป็นตัวเราเราความคิดก็ไม่ใช่ตัวเราความรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราความตัวเราเกิดจากความหลงไปคิดว่านี่คือเราของเราเหมือนคนสมัยก่อนไปเคลมว่าโลกนี้แบนเป็นความเข้าใจผิด ตัวตนไม่มีไม่มีใครมีตัวตนมีแต่ธรรมชาติที่รู้ที่คิดที่ทำอะไรต่างๆนั่นเองแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปคําำถามจากคุณสติลเอนกราบเรียนถามเจ้าค่ะเราควรจะเลือกไปปริกวิเวคคนเดียวครั้งละเจ็ดถึง10วันหรือเราจะลางานละบวชหนึ่งพันษาแต่ต้องอยู่ร่วมกับสังฆะตอนนอนกับ ผู้อื่นปฏิบัติกับผู้อื่นแบบไหนจะดีกว่ากันเจ้าคะถ้ายังเป็นการปฏิบัติชั่วคราวอยู่ก็คิดว่าอย่าเพิ่งบวชดีกว่าเพราะบวชแล้วมันต้องไปเกี่ยวข้องกับพระวินัยเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบธรรมเนียมอะไรต่างมันที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาเลยเป็นเรื่องของการวิถีชีวิตอยู่แบบพภามันก็จะเสียเวลามากก็จะไม่ได้ภาวนาถ้าอยากจะภาวนาก็ไปอยู่แบบคารวาสดีกว่าอยู่ทีละเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวัน อยู่ทั้งพรรษาเลยก็ได้เราอยู่แบบคาราวานดีกว่าได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องหมจีวรนเรื่องอาบัตเรื่องปงอาบัติเรื่องศีลสองร้อยี่เจ็ดข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเคสตายไปกับเรื่องศีลนันนอาจริงๆไม่ได้ปฏิบัติเต็มเราแค่ศีลแปดก็พอง่ายๆดีแล้วก็เวลาไปภาวนาดีกว่า mm hmm. ก็เราปฏิบัติที่บ้านอยู่ปีหนึ่งเราไม่ได้บวชนะ เราก็ถือสื้อค่าสินแตแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องทำอะไรมากตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีก็ดีละจะได้สงบก็ที่มันพอสมควรแก่เวลา